มีจะอธิบายเรื่องวิธีหาจิตจิตในเรื่องของสำคัญที่สุดเกิดจะเป็นมนุษย์ต้องมีจิตทุกคนแต่หากเราไม่เห็นจิตเราใช้จิตมาเกิดเราเกิดเพราะจิตเราเป็นอยู่เพราะจิตเราจะตายไปเพราะจิต แต่จิตแท้นะั้นคือตัวอะไรหาก็ไม่เห็นลืนตาขึ้นมองหาไม่เห็นตัวจิตตัวนั้นไม่สราบไปอยู่ไหนจิตนี้จงหากว่าเราสังเกตดูแลนะั้นไม่มีตัวมีต น, นความรู้สึกความนึกควมคิดนั่นนะคือตัวจิต เพราะฉะนั้นนี่ว่ารื่นตาแล้วไม่เห็นถ้ารักตาเราเห็นหรถ้าหากเราไม่เห็นตัวจิตท้านีจิตมันพาเราไปเที่ยว่อนทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสทั้งหลายสารพัดทั้งฝูงมดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้นที่ท่านพูดทั้งเรื่องเจตสิต ก็คืออาการของจิตที่เรีวากิเลสทั้งหลายาน้อยแสนธรระการนั้นก็เกิดจากจิตอเดียวแต่ผู้ที่เห็ น, น, นหลายรู้รหลายนั่นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราที่เคย ท่านว่าแล้วก็ว่าไปตามนะั่นแหละที่เรศขันหาขันหาหน้อยแต่ก็ว่าไปตามเรื่องตามเอานักตั้งต้นตั้งแต่ขันหายานะวิเไปขันห า, น า, นหาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาทั้งขาวิ ญ, ญาณ น, นี่เรียกว่าขันหารวมว่าเรียกว่านะมีสองอย่างคือมีรูปกคำนัง ทำใลูกกำนาพูดทั้งเรื่องนามไี่ไม่เห็นเลยลูกเห็นได้นามมันคือจิตทำยังไงเราพวกเราจะเห็นจิตทำยังจิตกับพาเราว่นอย่างงี้หละเที่ยวเหนือล่องใต้สารพัทุกอย่างทุกประการไปทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุณจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้ พาให้เราทุกข์เราร้อนพาให้เาเป็นเศร้าโศกเสียใจอะไรอวอนก็จิตนั่นแหละทั้งมีจิตแล้วไม่มีอะไรหรอกตัวของเราเหมือนก็ะถองไม้แล้วถองฝืนไม่รู้สึกเลยให้จะจับจะบันให้จะเผาจะอะไรต่างๆทุกอย่างไม่รู้สึกถึงนั้น ตากคดเห็นทางตาก็เรียกว่าจิตแต่คนไม่เห็นตัวจัง่งตัวจิตแต่เห็นแค่ทางตาที่ตาเห็นนะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่จิตตาเห็นดัางหาแสงกระทบเข้ามาก็เห็นเท่านั้นหูได้ยินเสมอกันหูมัมกระทบเขา้ามันก็ได้ยินจลู้มถูกกลิ่นเลียนถูกร่ากายถูสัมผัสอะไรต่างๆมัตสิ่ง อันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นเป็นเรื่องกระทบกันทั้งหากระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแล้วอะไรอีกคราในี้จิตหาลองดูในตัวเรานี่แหละหาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันอยู่ที่ไหนจิตแท้มันอยู่ที่ไหนกัน นม่หาจิตไม่เห็นแล้วมันคนที่หาจิตนี่นะมันไม่เห็นคนไหนเป็นคนหามันยังมีอีกซ้อนอีกเลยคนหาจิตน่ยใครเป็นคนหามีแต่คนหาไม่รู้จักมีแต่สิ่งที่หาสิ่งที่ไปหานั้นเห็นเห็นหลอวแต่คู้หาไม่เห็นอีกแหละอย่างว่าเห็นลูก เห็นได้เียงเห็นรูปรูปนั้นเห็นแ่ะแต่ผู้เห็นน่ะใครเป็นคนเห็นมันต้องหาตัวนั้นสิฉันจะเห็นจิตมันจ้องเป็นหนึ่งธาตุไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ไม่ใจจิตจิตนั้นเป็นหนึ่งจิตนั้นเป็นหนึ่งนะกายเป็นใจกายตัวจิตนั้นนกายเป็นใจ อันที่มันหนึ่งมันเฉยเฉยไม่คิดไม่นึกไมปุงไม่แต่งความรู้สึกเฉยเฉยน่ะนะแต่ไม่คิดม่ น, นึกไม่ปุงไม่แต่งไม่อะไรทั้งหมดมันความเฉยเฉยอย่นั่ะนะนั่นกลายเป็นใจคิดมันกลายเป็นใจใ น, ในัำพีใน หนังสือต่างๆนั้นก็พูดเรกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านพูดสลับกันบางแห่งนั้นก็พูดเป็นจิตบางแห่งนั้นก็พูดเป็นใจอย่างท่านว่าพูดว่ามนโนปุพังคมาธรรมทำทั้งหลายไม่ใจถึงก่อนมนโนคือใจ คุณนึกคุณน้อมนั่นแหละคุณนึกน้อมทีแรกนะไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่คิดนึกน้อมทีแรกนะนั่นแนหะคือตัวใจมโนเสตมโนโมายาสําเร็จแล้วโดยใจมโนเศราฐมโนมายาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจพูดก็จะพูดจะจา้วสําเร็จแล้วโดยใจ นั่นนั้นพูดถึงเรื่องโมโนคือใจขันจิตและขันนี้พูดถึงเรื่องจิตอีกจิตตังกับพัฒนังคันโอเ์กิเลสเหติทันพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นของพัฒสอน คือมันผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคัรทุกากิเลสต่างหากกิเลสมันจอมาที่จะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมันจอมาวันนี้พูดถึงเรื่องจิตคิดดูว่าถ้าหากจิตเป็นของเศร้าหมองแล้ว ใครกจะทําให้บริสุทธิ์ใดไม่มีเลยเหตุนั้นหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังพัสรังจิตเป็นของพัฒสอยู่ตลอดเวลาอคันตุกะเจ้าอคันตุกเตังหากเที่ยมาตัวพันให้มัวหมองทำยงไยเยรู้จักจิตถูพัฒสรจิตกับใจนั้นข้ามารวมเหมือนแล้วค่านี่ พูดทั้งเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจมารวมมันเข้าขานี้มารวมเข้าเป็นใจให้พูดเป็นใจเลยขานี้เมื่อเป็นประพัฒสอนได้รวมรวมเป็นใจความที่ประพัฒสอนนั้นหมายความทั้งจิตไม่คิดไม่เนึกไม่ปุงไม่แต่งจึงจะเห็นจึงจะเห็นจิต นั่นเลยเรียกว่าใจใช่ไเรียกว่าใจในทีน่นี้ถ้าคิดนั่ง น, นึกปรงแต่งอยู่มันเศร้าหมองถ้าจิตพ้องใสแท้นั้นต้องสะอาดสะาดจะจากความคิดของนึกของปรุงของแต่งจะเรียกว่าใจเรามาพยาญชนะขัดกล้าวกิเลสตรงนั้นอะ่ะตรงที่อาคารทุกข์กิ เ, กเลสอ่ะนะ แม่มันมีไม่มันเกิดไปในที่นั้นจินจักรู้เห็นสิ่งต่างๆคำว่าใสาสะอาดมันก็เห็นอะรสิจะไม่เห็นยังไงน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ย่อมมองเห็นเงาเง้ยจนเห็นเงาตนเองได้ เท็มินจินดาเขาเจรไนแล้วเป็นของใสสะอาดเพราะเ น, นื้อมันเป็นของใสเ ด, ดิมถ้าหากเล็กไปลองดูแหละคะนนี้ไม่มีแล้วไม่มีความใสหรอกเพราะของไม่ใสสะอาดจิตของคนเราเป็นของใสสะอาดเดิมเหตุ น, นั้นขัดเกา่ากิเลสมดมมันจงเห็นความใสสะอาด เ, เรียกว่าจิตตังกับัจจังคราวนี้จะไม่เรียกจิตจะเรียกใจแล้วคราว น, นี้มันเป็นสองอย่างอย่างเขาเรียกไฟเงี้ยไฟคือความร้อนความร้อนก็นคือไฟแสงสว่างก็คือไฟ กังจากรขอมือก็คือไฟไฟแท้คือความร้อนนั่นแหละเป็นไฟแท้ร้นอนในที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตันมีตัวหาว่าอบอุ่นในที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นเน่ะ อ, อ, อ, อ, อยู่ในนั่งในบกก็ตามอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเพื่ เรียกว่าไยจึงเรียกว่าใจคือของใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองในขณะที่เราทำความเพียรภาวนาไม่ต้องอื่นไกลแล้วขณะที่นั่งทำวความเพียรภาวนาแล้ว ถ้าไม่ใจเป็นกลางเฉยสบายมันก็ถึงใจเท่านั้นเองความสบายนั่นแหละเป็นใจคนเฉยเฉยนั่นแหละเป็นใจไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบาปมีบุญตัวเฉยเฉยเละไม่มีอะไรทั้งหมด ความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันออกไปจากใจท่านเรียกว่าจิตจิตคือคิดคื อ, คอนึกคือปรุงแต่ ง, ง, ง, งนั่นเรียกว่าจิตมากมาย น, นั่นเป็นคนสร้างส่วนใจไม่สร้างสงบคงที่จิตเป็นคนสร้างปรุงแต่งสัตว ท, ทุกอย่างในโลกอันนี้ จิตท้งนั้นเป็นคนปรุงคมแต่งและคนปรุงคแต่งมันมีสิ้นที่สุดขันใจแล้วหมดเรื่องไม่มีไม่มีปุงแต่งเหตุนั้นพุทธศาสนาชั้งสองก็ถึงใจคือสอนทั้งที่สุดคือเข้าถึงความบริสุทธิ์ตนเองต ที่สุดของทุกมันเองไม่มีทุกไม่ร้อนการเข้าถึง ใ, ใหญ่ไม่มีทุกไมีร้อนหรอกไม่ปรุมไม่แต่งไม่คิดไม่นึกอะไรก็หมดเรื่องเท่านั้นนะกานปรุมแต่งก็ไปมากมายล่อลายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหตุนั้นจริงว่าคนเรานี่ยนะ ไม่เคยเห็นใจของตนแต่น้อยแต่ใดมาเกิดก็เกิดเพราะใจเวลาตายก็ตายเพราะใจคุ้งแต่คิดนึกแต่สภาพทุกอย่างก็ใจหมดคนทั้งหลายโดยส่วนมากพูดถึงเรื่องใจทั้งนั้นพุทธศาสนาก็พูดเรื่องใจใจบุญใจกุศลใจบาปใจมหิด ใจคิดปะทุสลายสาระปัทุกใจใดใจอย่างนั้นอ่ะใจไม่ดีไม่งามถ้าพูดถึงเรื่องความดีความงามว่ะใจบุญใดกุศลใจใสสะอาดบริสุทธิ์พูดถึงเรื่องใจอันเดียวใจมันต้องเป็นอันเดียวไม่ใช่มีหลายอย่าง หลายอย่างนะมันเป็นจิตตัางหากพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาถึงตัวดึงตัวหนึ่งนี่แหละตัวใจนี่แหละจึงจะเห็นเรื่องหลายเรื่องทั้งหลายทั้งหมดถ้าไม่เห็นตัวหนึ่งจะได้จริงทั้งหลายก็ไม่เห็นทั้งนั้นอย่างคนลังอย่างเรานับนะนับหนึ่งขึ้นเบืองต้นหนึ่ง่ หนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนห้าหนึ่งเก้าหนิกหนก็เป็นเป็นสิบแท้ที่จริงหนึ่งอเดียวนี้ยสิบแล้วก็นับหนึ่งอีกเหมือนกันนับหนึ่งทั้งทั้ิบมันก็เป็นร0อยแท้ที่จริงนับอันเดียวเท่านั้นจะลืมคนเราเป็นนับสองสามสี่ห้าเรลืมเส้ลืมหนึ่งเนี ถ้านับลงหนึ่งแล้วหมดเรื่องไม่ต้องบปมงมงายของนันไม่ต้องมากมายเหตุนั้นการทำราวนาสมาธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่งนี้แหละให้ถึงใจพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียว คนโดยส่วนมากเรื่องธรรมสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระพระกับบางท่านบางองค์ของไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานนวดไหวอุ่นเล็แค่ที่จริงมีใจทุกคนเนี่ยให้เข้าหายใจแล้วก่อเป็นกรรมฐานด้วยลังนั่นแหละเป็นภาวนาทำสมาธิอย่างนั้นเน่ยเพรา้นเตาจเราไม่ทํา อธิบายงเรื่องใจให้ค้นหาใจให้พิจารณาเขาถึงใจก่อนโยตีอย่างนี้บุญมีหลายอย่างคือทำบุญอย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำกุศลอย่างหนึ่งมีหลายอย่างทาทานคือการเราให้เรียกว่าทาน ทานังเทติคือสิ่งที่เราให้วัตถุสิ่งของที่เราให้เรียกว่าทานไม่ต้องเลือกสิ่งอะไรพวกงดมนุษย์สัตว์ให้ไปทางนั้นอ่ะให้ได้ทางนั้นอ่ะวัตถุของมีของให้เรียกว่าให้ทานนั่นเราเรียกว่าให้ทานจะเกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาก็เอาเธอให้ท า, า, า, างนั้นอ่ะยังให้ใหญ่เำาม่แย่ายให้ไปเงี้ะ ไม่คิดขึ้นบุญนึกกุศลแก้ลำคานให้ไปใชอันนั้นเรียกว่าทานทานเรียกไอ้ทาบุญ น, าานั่นคันนี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งเจตนาที่ว่าบุญจริงๆจั ง, จ ง, จงๆเลื่อมใสศรัทธาว่าทาบุญแล้วจะได้บุญอันนี้สมจะว่าเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ จะได้ความสุขในมนุษย์สมบัติสวัสดี์นิพพานสวบัติอะไรต่างคือต้องการในปรารถนาแท้ๆนี่การทำบุญนั่นน่ะปรารถนาผลตอบแทนมันเรียกว่าทำบุญทำกุศล น, นะค่เนี่เจีจเจิตที่มีคิดนึกดีความดีคนมชอบต่างเป็นกามาประจอมกุศล รูปภาวจารคุสนรูปราพวจิจารคุสนคิดโดยใจไม่ได้สละจายค่าอะไรทั้งทังภายนอกคิดโวยใจุสนี่ที่เป็นในรูปราพวจรก็มีการพิจารณากรรมฐานนี่แหละในพิจารณาสังขารร่างกายของเราในเรื่องขอรูปาวิจารรูปภาวจารพิจารณาทุกเรืงจิต ก า, า, ารููฝาวรจนพิจารณาเรื่องเงื่กิจโลกุณดอนหมายความนึงกุศลที่ป่าเถือจากความอยากกังวลทั้งหมดแต่ว่าทำเพื่อประดับสติปัญญาเพื่อสะดับปอญใจของตนเท่านั้นไม่ได้ป่าเถื่อนายเล ย, เยคือผู้ที่ถึงมัตถผลนิพพานสูงสุดแล้วท้าไมมีบากมีพุนอะไรหรอกแต่ว่าทำไปเพื่อ ระดับจิตนันเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นเรียกว่ากุศลเห็นนั้นเราทำนี่ทำทานแล้วแล้วทำบุญแล้วแล้วก็ทำกุศลอีกคือ น, น, นั่งกวนานนี่เนี่ยนั้นของสูงโดยลำดับเพราะฉะนั้นอย่างตั้งใจทำก็นานสมาธิให้มันแน่วแน่จิตให้มันลงหนึ่งปล่อยวางงดทุกสิ่งทุกอย่าง ในเวลานี้ไม่มีอย่าไปคิดนึกถึงมันเลยของที่ร่วงมาแล้วส่วนอดีตอนาคตอนาคตข้างหน้าก็ไม่ต้องเอามาตําคำนึงถึง่ะเอาปัจจุบันอย่างนี้แหละเห็นแนวแนล่ลงเต็มที่ละมันจะลงได้ด้วยประการใดก็ให้มันลงไปถงเถอะเบื้องต้นให้คำให้มีบริกรรมภาวนาพุทโธหรือว่าจานาปารสติหรือนกหนอ่อยเพราะหนอ้หนอยก็ตาม ตสมาหลังกับฉันขอให้เอานั้นเป็นอารมณ์เมื่อจิตมารวมไปแล้วนั้นปล่อยวางมดของมันนั้นมันวางเองถึงไม่วางก็ต้องวางถึงไม่วางเองกันเราก็ต้องวางเหมือนกันเอาความที่มันนิ่งแนวอยุดนิ่งนั้นนะเห็นใจของเรานัเนนะี่ะเป็นของสําคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิอดประเสริฐ เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ใหรู้จักคุ้นเรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจของตนแล้วทำดีทงชั่วก็ไม่รู้ทั้งนั้นเอาทำ